ตอนนี้พระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงเมืองกบิลพัทแล้วเนาะตอนที่พระองค์ไปที่เมืองกบิลพัทเนี่ยนะพระญาติทั้งหลายโดยมากก็ไม่ไม่ทำความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะอ้างว่าตัวเองนี่เป็นพี่ตัวเองนี่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นนารุ่นอารุ่นยายรุ่นปู่รุ่นย่าพันก็มองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือพระสิทธะนั้นเป็นหลานเราเป็นลูกเราเป็นเลนเรา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 แผ่นดินมนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลกก็สว่างจ้าโลกันรตริกนรกอันหนาก็ปิดกั้นเอาไว้ไม่ได้ความมืดก็ได้ถูกขจัดออกไปปกตินี่โลกันตนรกนี้มืดมิดแสงสว่างด้วยพุทธานุภาพก็สว่างสวยัยเรียกว่าสว่างถึงโลกันตนรกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดามนุษย์ทั้งสัตว์นรกต่างก็เห็นปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์ถึงปิติปรามโมทย์อย่างยิ่งเห็นพุทธานุภาพ ศรัทธาก็เกิดขึ้นปีติก็เกิดขึ้นจิตใจก็ผ่องใสพากันเอิบอิ่มใจที่ได้เห็นพระพุทธคุณเนี่ยนะแสงสว่างอันโอฬารไพยบู์ก็เกิดขึ้นในโลกนี้พร้อมทั้งเทวดาคนทรรมนุษย์รากสดและในโลกอื่นทั้งสองทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำทั้งเบื้องขวางกว้างออกไปพระศาสดาผู้สูงสุดในสัตว์ผู้ยอดเยี่ยมผู้นำพิเศษได้เป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ผู้มีอานุภาพมากมีบุญยลักษณะนับร้อยทรงแสดงปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์นะปาฏิหาริย์อันนั้นก็คือยมกะปาฏิหารินั่นเองในสมาคมนั้นพระชินพะพุทธเจ้ า, าศาสดาเหาะขึ้นไปบนพื้นนภากาศทรงนรมิตรสิเนรุบันพศอันน่ารื่นรมเป็นที่จงกรมเทวดาในหมื่นโลกท่าก็นอบน้อมพระตถาคตในสำนักของพระชินะเจ้าพากันทำพุทธบูชา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 จึงทรงเนรมิต ท, ที่จงกรมอันประดับด้วยรัตนะทั้งหมดสำเร็จลงด้วยดีทรงแสดงยอดสิเนรุบัรพตในหมื่นโลกธาตุเป็นประหนึ่งเสาซึ่งตั้งอยู่เรียงกันเป็นรัตนะจงกรมที่จงกรมสำเร็จด้วยรัตนะพระชินเจ้าทรงเนรมิต ท, ที่จงกรมเหลื่อมล้ําหมื่นโลกธาตุที่ทั้งสองข้างพื้นที่เป็นทองทั้งหมดณนะรัตนะจงกลมไพรทีทองล้วนปูด้วยแผ่นกระดานทอง เวียนไปตามจัทนทร์ทั้งสองข้างรัตนจงกรมที่เนรมิตรเกลื่อนกลาดไปด้วยซายแก้วมณีทายที่ทำด้วยแก้วมณีหรือว่าทรายแก้วมุกดาส่องสว่างไปทุกทิศเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นณที่จงกรมนั้นพระชนะสัมพุทธเจ้าจอมปรากผู้มีพระมหาปุริสลักษณะ32สองรุ่งโรดอยู่เสด็จจงกรมเหนือที่จงกรม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 มีจิตเบิกบานนาคสุบันหรือแม้กินนอนพร้อมทั้งเทวดาคนทันมนุษย์และรากสดพากันชมพระองค์เหมือนชมจันทร์ที่ขึ้นโคจรในท้องนาภาการพรมชั้นอภัสระชั้นสุภกินหะชั้นเวหั พ, พละและชั้นอากาิิทะพากันทรงผ้าขาวสะอาดยืนประคองอัญเชลีโปรยดอกมณฑารพบสีผสมจุนจันทรโบกผ้าณนะพื้นอัมพรในครั้งนั้น โดยแปลงอุทานว่าโอพระเชษฐาเจ้าผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกพระองค์เป็นพระศาสดาเป็นยอดเป็นธงเป็นหลักเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นประทีปของสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าเทวดาผู้มีมหิทธิฤทธิในหมื่นโลกธาตต่างยินดีร่าเริงบันเทิงใจพาการห้อมล้อมนมัส ก, การ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 เทวดาเหล่านั้นต่างนั่งอยู่ณนะพบของตนของตนเห็นอัศจรรย์ในท้องฟ้าก็พากันยินดีร่าเริงใหญ่เทวดาที่อยู่ในอากาศที่อยู่บนภาคพื้นดินอาศัยอยู่ที่หญ้าและดาวประกายพร็กก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจพากันประคองอัญชลีนมัสการเหล่านาคที่อายุยืนมีบุญมีฤทธิ์มากก็พากันบันเทิงใจนามัสการบูชาพระผู้สูงสุดในนรชน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 เทวดานี่เขาดีใจว่างานเนี้ยได้ดีแน่เหมือนันนเพราะว่าจะบรรลุมรรคผลกับเขาก็คราวนี้แหละคล้ายๆแบบนั้นนะเพราะได้ยินว่าพุโทโธเทพเหล่านั้นก็เกิดปีติขึ้นในทันทีต่างพากันยืนประคองอัญชลีกล่าวว่าพุโทโธพุโทโธนะดูพระพุทธเจ้าออไปก็บอกพุโทโธพุโทโธคือเห็นพระพุทธคุณทั้งอิทธิ ป, ปาฏิหาริเห็นห ล, า ย, ลายๆอย่างเนี่ยนะคือคําว่าพุโทโธแบบเทวดาทั้งหลายเนี่ยเขาพุโทโธแบบรู้พระคุณเนี่ยนะ ก็แต่ก็ดีกว่าคำอื่นทั้งหมดอ่ะนะถ้าใครไม่มีคำไหนจริงๆให้นึกเถอะพุโทโธพุโทโธเนี่ยเป็นคำที่เพราะที่สุดเป็นคำที่ผู้สั่งสมบุญมานานกว่าจะได้มีชื่อเช่นนี้มูเทพต่างๆในท้องฟ้าก็พากันประคองอัญชลีเปล่งเสียงเอเสียงสาธุเสียงโหเอิบอึงลิงโลดใจเนี่ยนะคือปีติปราบเลิมมาก ขับกล่อมประสานเสียงบรรเลงปรบมือและฟ้อนรำพลางโปรยดอกมณฐารพห้าสีผสมด้วยจุนจันท์เปล่งวาจาว่าข้าแต่พระมหาวีระด้วยประการหลายเล่าจากลักษณะที่พระยุคลบาทของพระองค์ประดับด้วยธงชัยวชัชระธงปะตากเครื่องแต่งพระองค์และขอช้างพระองค์ไม่มีผู้เสมอเหมือนในพระรู ป, ปกายในในสรีระคุณนะนั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 ข้างล่างบอกว่าพุทโธเนี่ยพระพุทธเจ้าชื่อว่าพุทธเพราะตรัสรู้หรือว่ารู้ตามซึ่งสัจจะสี่พุทธะนี่หมายถึงการตรัสรู้หรือเด่นพิเศษก็คือรู้อริยสัจสี่จึงชื่อว่าพุทธะพุทธะเนี่ยมันเป็นศั์เดิมเนี่ยนะพุทธะก็ถ้าใส่วิพัตลงไปก็จะเป็นพุทโธพุทธะพุทเทพุทเทนะพุทเทหิพุทเธพิพุทธายะเป็นต้นเนี่ยก็จะกลายไปเป็นรูปศัพท์แบบนั้นท่านพุทธะนี่เป็นรากสั์เดิม ท่าพุโทโธนั้นหมายถึงว่าตรัสรู้หรือตรัสรู้ตามสัจจะสเนี่ยนะพุทธะหมายถึงความตรัสรู้นั่นเองอย่างที่พระองค์ตรัสว่าอภินยญญยังอภิญญาตังพาเวตัพันจะพาวิตังปหาตัพังปหีน่นางเมตสมาพุโทโธสมิบ ร, รมณะพระองค์ก็ตรัสกับเสลพรามว่าพรามสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเราก็รู้ยิ่งแล้ว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 นะตั้งแต่อะไรกายคตาสติสหรคตรด้วยความสําราญสมถาวิปัสนาสมาธิสามสติปัฏฐาน4สมาธิอันประกอบไปด้วยองค์5อนุสติ6โพชฌงเอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ความเพียรอันเป็นที่ตั้งแห่งความบริสุทธิ์9หรือแม้กระทั่งกสินายตนาสิบคุณธรรมเหล่านี้พระองค์เจริญหมดแล้วบพระคุณใดที่ควรแก่การเจริญคุณธรรมเหล่าใดที่ควรเจริญพระองค์ก็เจริญคุณธรรมเหล่านั้นเสร็จสิ้นแล้ว แล้วสิ่งที่ควรละทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอสศมิมาณนะอวิชชาภาวะตันหาตันหาสมโอคะสี่นิวรหตันหากายะหอนุสัยเจมิ ช, ชะตะ8ตันหาเป็นมูล9มิ ช, ชะตะส0สังโยตสิบทิฏฐิ62เป็นต้นสิ่งเหล่านั้นพระองค์ก็ละเสร็จหมดแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะต้องละอีกแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นพุทธพุทธเจ้าเพราะรู้ยิ่ง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 นะครับเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์สั์ก็ตามคัมภีร์สับเนี่ยนะสัพพสตร์ก็ไปรเรียนไวยากรณ์มือนกันถ้าจะรู้โดยละเอียดว่าเป็นกตัตุก ร, ะ ก, ระกะกัมมกรกะเป็นต้นเนี่ยนะอยู่ในการะกะใดอันนี้ทวนย้อนที่ว่าพระญาติทั้งหลายเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้ร้อกว่าพระพุทธเจ้าผู้รู้อริย ส, สัจสี่ด้วยลำพังโดยถูกต้องโดยพระองค์เองเนี่ยเป็นเช่นไร เป็นเช่นไรก็คือคุณธรรมภาวะของพระ อ, องค์นี่เป็นอย่างไรหน้าเห็นอย่างไรพระ อ, องค์นี่เสมือนอะไรมีผิวอย่างไรมี ส, ว น, สวนทรงอย่างไรยาวหรือสั้นเช่นใดก็ไม่รู้และไม่รู้หรอกพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดน่ยนะนรุตตโมโก็คือนระอุตมะเนี่ยนะนระก็คือคนผู้สูงสุดในหมู่คนเรียกว่านารุตมะความสูงสุดความล้ำเลิศความประพฤติประเสริฐสุดแห่งนรชนหรือในนรชนทั้งหลายจึงเชื่อว่า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 เป็นเครื่องทําให้ประสบความสําเร็จนะนะเลยเรียกว่าอิทธิอิทธิตามปฏิสัมพิธามักมี10อย่างฤทธิสิบอย่าง 1. อธิฐานฤทธิสองวิกุปนาอิทธิฤทธิเนี่ยนะสมโนมยาอิทธิหรืออิทธิฤทธิเนี่ยนะสีาณวิภาราอิทธิหรือ5สมาธิวิภาราอิทธิ6อริยอิทธิ7กรรมวิปากชาอิทธิ8ปุญญวโตอิทธิ9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 อธิษฐานในจิตนั้นก็เป็นเหมือนกับอัปปนาเกิดขึ้นในลําดับโคตรภูจิตเท่านั้นประกอบด้วยจตุทชานฝ่ายรูปาวจรแต่ผู้นั้นละเพศปกติเสียอันนี้นี่จบเลยนะข้อแรกที่บอกว่าอธิษฐานอาริเที่อธิษฐานเป็นร้อยคนพันคนเป็นต้นเนี่ยนะส่วนผู้ใดที่ละเพศปกติแสดงเพศเป็นกุมารบ้างแสดงเพศเป็นนาคบ้างเป็นครุฑบ้าง แสดงกระบวนทัรต่างๆบ้างฤทธิ์ที่มาโดยอาการอย่างดังที่กล่าวไปแล้วเรียกว่าวิกุปพนาริธิ์เป็นไปโดยละเพศปกติทำให้แ ป, แ, ปแปลกแปลกออกไปยังมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะพระเทวทัตพระเทวทัตนึกว่าเอเนี่ยนะเราเนี่ยไม่มีลาบสาการะเหมือนคนอื่นเลยคนอื่นนี่เขาดังกันหมดนะพูดในหนึ่ง ว่าเขาก็เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงปรากฏกันหมดทุกคนมีลาบสการะกันหมดใครก็มาเรียกหาว่าพระคุณเจ้าอานน์นอยู่ไหนพระคุณเจ้าอนุรุทธะอยู่ไหนเขาไมา่เรียกหาหมดเลยแต่ไม่มีใครหาถามหาพระคุณเจ้าเทวทัศน์อยู่ไหนรู้สึกแหมมันมันอะไรนะมันกระเทือนใจมากเลยที่ไม่ได้ไม่มีเหมือนกับเราไม่อยู่ในนั้นอะ่ะก็ออกบวชพร้อมกันไม่มีใครเอ่ยถึงเราไมมแต่คนเดียวเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นจะทําให้ใครนะเลื่อมสเราได้นึกไปเออ ให้พระเจ้าพิมพ์พิสาเรเลื่อมใสก็ไม่ได้เพราะเป็นพระโสดาบันไปแล้วเป็นอริยะไปแล้วคิดไปคิดมาในที่สุดเออพระเจ้าชาติศัตรูนี่แหละยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นกุมารอยู่ท่านจะต้องทําให้พระเจ้าชาติศัตรูนี่เลื่อมใสถ้าทําไงดีก็เลยเนรมิตตัวเองเป็นเด็กน้อยเด็กน่มนะนะเด็กน้อยแล้วก็มีงูเนี่ยพันตามตัวเนี่ยเต้หมดแล้วไปนั่งอยู่บนตักพระเจ้าชาติศัตรูด้วยน ะ, ะชาติศัตรูตกใจมากนะเสร็จแล้วก็เด็กเนี่ยก็บอกว่าท่านกลัวหรือ บอกลัวสิก็เลยจำแรงเป็นพระเทวทัตตามเดิมเนยนะอันนี้ เ, เรียกว่าวิกุพภนาฤติเนี่ยนะแสดงฤธิอย่างนี้ได้หลังจากนั้นมาเนี่ยอราชสตรูกูมาเนี่ยเลื่อมใสามากถวายอาหารวัละห้าร้อที่ท่านแกก็เลือก เ, เรียว่าตั้งพักได้เลยคันนี้ตั้งพักจากหาพระแบบไหนอย่างที่ตัวเองต้องการก็ได้เอาพระที่นิสัยคล้ายๆกันน่ะนะ เ, เรียกว่าเป็นไปตามธาตุก็ไปเอาธาตุที่ปรารถนาคล้ายๆกันมาเป็นบริวารนี่ย0้ารไปฉัน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 เดินจงกรมรอที่หน้าวัดเลยพระจุลบันโทโกนี่ก็ร้องให้แต่เชา้าเมื่อจะไปศึกแล้วจะไปศึกอยู่บ้านกลับไปอยู่บ้านกับคุณตา